ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสมาบพบ ก, กับบรรดาท่านพุทนบริษัทในเรื่องของหนังสืออันเล่นตอนที่เจ็ดเล่มที่ห้าตอนนี้ขอให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงชุมพรตามสาวําหรับตอนที่หกความจริงควรจะให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงพรตามตามาํารวจ ลืมชื่อไปไม่เครียดวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกรมหลวงพรต่อไปขอย้อนหลังนิดหนึ่งว่ากรมหลวงพรเขตรดุศักเมื่อท่านพ้นจากความเป็นคนไปแล้วปรากฏว่าไปเป็นเทวดาชั้นจาถูมหาราชและต่อมาก็ขึ้นเป็นเทวดาขั้นอินทกา จากอินทกาแล้วก็มาเป็นท้ามาหาราชคือคือว่าท้าวอิรุนหกในปัจจุบันอตอนนี้ก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเทวดาที่รักษาวัดท่าทรงที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่ปรากฏว่าท่านจะจำอยู่ที่แถวพระเจ้าพรมหาราชต้นบริเวณนั้นเห็นเห็นที่ไรเห็นจะนั่งอยู่ที่พื้นที่แท่นใกล้ๆแท่นพระเจ้าพมหาราช ท่นเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาชัานข้าเป็นกุมภันเป็นของท้าววิรุฬหกก็เป็นอนว่าทั่งนนั่งใกล้ๆอยู่กับรูปหล่ อ, อของกรมหลวงยุพนเคศอุ ด, ดมศักดิ <c> ์ <oughs> เป็นเทวดาขาอา่อินทกะอินทกะาในไมายความจะเป็นผู้บัญชาการนะอาจจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเหล่าใดเหล่าหนึ่งนั่นเอง ก็ขอคุยกันต่อไปถึงเรื่องของกรมหลวงนิพพานเขตอุดมศักดิ์ตอนที่ท่านตามสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนกรมหลวงนิพพานเท่าที่เห็นประจักษ์มาจริงๆคือตามคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไปยังไงก็ตามเมื่อบนแล้วสามวันพบทุกทีกลับบ้านทุกที แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอว่าถ้าบางคนบางคนไม่สามารถจะมาได้หนึ่งตายสองถูกกัก บ, บริเวณคือถูกขังแล้วก็สามทุกพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ได้แนะี้ก็ท่านอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นทุกพลภาพก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งส่งข่าวให้ทราบ และมีโอกาสจะไปรับได้แต่ถ้าว่าการบนเทว ด, ดาบรรดาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าความสามารถของเทว ด, ดาก็มีจำกัดเหมือนกันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกินขอบเขตของท่านฉะนั้นการบนต้องรู้เรื่องกันจะต้องบนเฉพาะกิจอย่าบนให้เปรอะไปถ้าบนเปรอะไปทุกสิ่งทุกอย่างเทว ด, ดาทำไม่ไหวก็เลยไม่ทาให้ วเวลาบนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกรุงหลวงนครเขตดุลสักเวลาบนต้องเสวยียนต้องถวายเครื่องเซงเวยก่อนเมื่อได้รับผลสมบูรณ์แบบแล้วก็ถวายอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นระเบียบของการบนขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าการบนคืนหนึ่งมีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยสองหมูต้มหนึ่งชิ้น สามไก่ต้มหนึ่งตัวสำหรับหมูต้มกัอไก่ต้มในถ้าคนมีสตางค์หน่อยหมูต้มใช้ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลแล้วไกต่ต้มต้องใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวถ้าคนที่จนจนมีสตางค์น้อยหมูต้มใช้ชิ้นเล็กๆล็ก็ได้ไก่ต้มไม่ต้องถึงตัวและใช้ชิ้นก็ได้แล้วก็มีขนมเจแล้วมีขนมจีนน้ําพริก ของไหว้ก็มีคองหยิบไหวทองเท่านี้เองเวลาบนหรือแก้บนเวลาเช้าให้ใช้เวลาก่อนบะก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีถ้าตอนบ่ายให้ใช้เวลาก่อนบ่ายสามโมงย็นสิบนาทีก็เป็นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปในเรื่องการในการตามสาวอย่าลืมว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะ จะขอนําธรรมะกลัวเขามากับเรื่องเขงนานิทานเขาบรรดาท่านผู้ฟังอย่าลืมนะว่านี่เป็นนิทานนิทานตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงแต่การเห็นจะจริงและไม่จริงก็ไม่ทราบถือว่าเป็นนิทานก็เป็นอันว่าวันหนึ่งในเวลานั้นที่อาตมากําลังแจกของกับผู้ยากจนในถินธุรักันดาน <c oughs> ก็ไปจากวัดเชิดเดินเศษ ก็กลับมาถึงวัดก็มีคนที่รู้จักกันจริงๆเวลานั้นเธอยอมรับนับถือไปมาหาโส่เสมอเป็นผู้ชายมากับบรรดาญาติหลายคนผู้ชายคนนี้รูปร่างอ้วนๆผิวขาวมาถึงเธอก็รายงานให้ทราบคือว่าอันดับแรกเขา่อกก่อนนะ เธอมาถ่งถึงตัแต่ตอนบ่ายเวลานั้นไม่มีเวลาพบกันเวลากลางคืนลงสอนเพร่อกัมฐ า, านเธอก็ลงปฏิบัติ ด, ด้วยพอปฏิบัติเสร็จเธอก็รายงานให้ทราบว่าลูกสาวของผมหายจากบ้านไปเกือบสองเดือนผมใช้เวลาตามมาเดือนเศษ็จสิ้งงนเงินค่าตามไปสองหมืนบาทเศษยังไม่พบ ยายจะกลับเรียนถามทงพ่อว่าเวลานี้ลูกสาวเขาอยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่จะกลับบ้านเมื่อไรถ้าเธอกลับเองไม่ได้อย่างวิธีใดให้ที่กลับความจริงเขาถามตามเหตุตามผลบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มาฟังแล้วก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกินวิสัยของเรา เราไม่สามารถจะจัดการให้ได้ถ้าจะถามว่ารู้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ <c oughs> ถามว่าใช้กำลังเขสมาธิดูให้ได้ไหมกำลังเขสมาธิบรรดาท่านพุทธไวสัต์มันต้องใช้เวลาที่เราไว้วางใจเวลาเนื่อยเนยแบบนั้นมันก็ไม่แน่เหมือนกันถึงวมาเวลาสงัสก็จริงมัก็ไม่แน่ เพราะว่าสมาธิฉันสวะเขาแต่มานี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเขาถามมานี่ไม่แน่นักถ้าเกิดความรู้สึกันเองนี่แน่นอน เ, อเพราะเวลาก็าถามมาบางที่มันเหนื่อยไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเอาอย่า ง, งก็เลยบอกก็าอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าถามฉันเลยนะเพราะฉันกับคุณเนี่ยความจริงมันก็ไม่ดีกว่ากัน มันก็เป็นคนเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันมีการง่วงนอนตื่นนอนเหมือนกันหิวกระหายเหมือนกันไม่ดีกว่ากันเลยกันในที่สุดก็เรียกว่าร่างกายเราเสมอกันสําหรับด้านจิตใจในเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างกันก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและสิทธิของเราก็ไม่ต่างกัน ชีธิตคือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่สิ่งที่เกิดตามมาก็คือแก่นอกจากแก่ก็มีป่วยนอกจากป่วยก็มีการพัดพราดจากของรักของชอบใจในที่สุดเราก็ตายเวลานี้คุณต้องพัดพราดจากของรักของชอบใจคือลูกสาวหายไปจากบ้านฉันเองก็ต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีพ่อกับแม่ตายไปนานแล้ว แล้วก็มีน้องสาวเขาเล็กอีกคนหนึ่งตายไปนานแล้วทั้งหมดเต้าสามคนก็เป็นคนที่รักที่เคารพคนฉันเรามีสภาพเหมือนกันนี่ธรรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้เป็นธรรมะในท้องเรื่องจําไปเลยนะจะไม่ลงธรรมะตอนท้ายเอาตอนนี้ก็แล้วกันกลุ่มความว่าคนเราที่เกิดมาคนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมด ต่อไปก็แนะนําเทว่าเอาอย่างนี้ติคุณวันตอนรุ่งขึ้นเช้าคุณทําที่วัดนี้ก็ได้เพื่อความมั่นใจบนกรมหลว ง, งยุพน์แต่ว่ า, าการบนคุณจะต้องคิดว่าสิ่งทั้งหลายแหละทั้งหมดมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่เกินวิสัยก็ได้จึงเป็นสิ่งที่เกินวิสัยก็ได้แต่ถ้าว่ากรมหลว ง, งยุพน์เกตุสมศักดิ์นี่เท่าที่เขาบนตามคนกันไม่เคยพลาด แต่ว่าทางนี้ถ้าคุณต้องยอมรับนับถือท่านจริงๆนะเพระบอกเท่านี้เขาก็บอกว่าสมเด็จกรมหลวงยุพรนีผมเคารพมากเครับกลยบอกว่าถ้าคุณเคารพอยู่แล้วก็ถือว่าถุณเป็นคนใหญ่เขาถามว่ามีเครื่องอะไรบ้างก็บอกว่าคุณจัดข้าวข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยกับหมูหนึ่งชิ้น เวลานี้คุณไม่อยู่บ้านเท่ากะเกณฑ์ไม่ได้ถา้ากะเกณฑ์ได้คุณมีฐานะดีก็คนจะใช้ชิ้นละไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลแล้วก็ไก่หนึ่งตัวถ้าสามารถทําได้ถ้าไก่ไม่ไม่สามารถทําได้ก็เอาเอาไก่หนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นเล็กก็ได้ถ้าหากอาทุนน้อยต่อไปก็ใช้กน้ำจีนน้าพริกหนึ่งถ้วยแล้วก็ใช้ ทองหยิบไฟทองอย่างใด น, น, น้อยน้อยก็ได้คุณตั้งโต๊ะเอาโต๊ะที่กุฏิฉันมีมาตั้งเข้าแล้วก็าขาวปูเอาแจกันดอกไม้วางเข้ากลางโต๊ะเอาเครื่อนจุดธูตจุดเทียนมาวางเข้าแล้วกระโบนท่านถาวายพร้อมกับเวลานั้นเลยนะว่าขอถาวายเครื่องสังเวยเป็นการศึการะบูชางงกรมหลวงนพรกับคณะรวมทั้งคณะโดยพระท่านมีรู้สิทธิ์มาก ถ้าหากว่าไม่เกินวิสัยลูกสาวผมชื่นอนี้เธอหายไปในวันประมาณวันเท่านั้นเอาแบกเอาประมาณกันอาจจะไม่แน่นอนถ้าไม่เกินวิสัยขอไปปรูตามกลับมาถึงบ้านภายในสามวันแล้วก็ถ้าเกินวิสัยถ้าสามวันไม่ทันก็จะ ก, กี่วันก็ได้ค่อยกลับมาเร็วๆต้องให้เวลาทัานพอรุ่งขึ้นเขาก็รีบไปตลาดแต่ตอนเช้า รายกดเวลาก่อนสองโมงสิบนาทีเขาทันทุกอย่างเขาต้มมาจากตลาดหมดมาถึงก็ตั้งโต๊ะก่อนหน้าเวลาสองโมงเกือบสิบนาทีประมาณสิบห้านาทีเขาก็เริ่มุดทุบเทียนเขาบอกว่าเวลานี้ยังเหลือไม่ถึงสิบนาทีเกิอีกสิบนาทีจะทําได้ไหมครับก็บอกว่าทําได้เลยทําได้เขาก็บน ไวายเครื่องเเวรแล้วก็บอกว่าถ้าลูกสาวกลับจะถาวายใหม่เมื่อเขาบนท่านเสร็จแล้วเวลากลับบ้านเวลากลับบ้านไปแล้วไม่นานประมาณสักสายสี่วันเศษเศษหรือห้าวันไม่เกินห้าวันนะจําไม่ได้นัดมาหลายปีมาแล้วก็ป ร, กรบบากฏว่าบุคคลคณะนี้กลับมาอีกเขาก็ทานอภัยลืมบอกไป ว่าเจ้าภาพชุดนี้อยู่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตขณะนี้ก็เดินทางกลับมาอีกมาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเธอก็ดีผิวขาวทุ่มทุ่ ม, มหน้าตายินแย้มแจ่มใสถ้าท่านพ่อกระไงานบอกว่าลูกสาวคนนี้แหละครับที่หายไปจากบ้าน หลังจากขมบนกุมขนิพรธ์แล้วกลับไปที่บ้านจากวันบนถึงวันเธอถึงวันเด็กมาเป็นวันเวลาสามวันพอดีเด็กกลับมาถึงตอนเย็นอาตมาก็ลองถามมนุษยไปยังไงมายัางไงลูกถึงได้ไปจากบ้านแล้วมายองกลับเธอก็เล่าความเป็นมาอย่างนี้บรรดาท่านบุกฟัง ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วอยากจะหนกันเพราะมันเป็นกฎของกรรมเธอบอกว่าตามบุติเธออยู่บ้านตลาดที่ใกล้บ้านที่สุดคือตลาดโพทะเลอําเภอโพตะเลในความจริงแม้ต่ตลาดเธอก็ไม่เคยไปกับเขาเพราะเป็นเด็กไม่อยากเที่ยวเป็นเด็กที่ไม่อยากจะไปไหนอยู่กับบ้าน ถ้าจะกล่าวไปก็เป็นเด็กชอบรักษาประเพณีตามแบบโบราณด <c oughs> ้วยความจริงหญิงสารักษารเพณีอย่างนี้ท่านโปรฟังจะเป็นเวลาสมัยก่อนก็ตามสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามสมัยหน้าก็ตามถ้ารู้จักเก็บตัวอย่างนี้เป็นหญิงที่มีราคามีค่าสูงเพราะใครใครก็ต้องการถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนเรียบร้อย เมื่อการจะแต่งงานเขาต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้ดีวันหน้าจะดีไหมถ้าหากว่าแสดงการคล่องตัวเกินไปคุณก็ไม่ค่อยไว้วางใจในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนว่าเป็นคุณไร้ค่านั่นหมายความราคาถูกซื้อมาไรวางมาไรก็ได้เหมอนั้นไม่แปลกแต่ว่าสงบสงเ่ยมเก็บเก็บตัวบนี้คนต้องการ แล้วมีการห่วงเห็นนี่ตามความรู้สึกของตาหมาที่เป็นผู้ชายและก็บุตรชายที่รู้จักสร้างตัวทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันบอกว่าถ้าชูชายเกินไปแล้วก็เห็นม่ของไร้ค่าชูชาดมาแล้วก็ฉูชาดไปได้มาแล้วแล้วก็วางวางวา ง, วางก็ได้ใหม่ได้ใหม่แล้วก็วางใหม่วา ง, วางแล้วก็ได้ใหม่ มันเป็นของไม่ยากและท่านผู้นั้นท่านก็ไม่ถือตัวแต่านก็ถือว่าจับหรือวางอะไรไม่ใช่ของแปลกก็เลยเป็นคนได้ค่าไปขอ เ, เล่าเรื่องของเธอต่อไปเทก็เลยฟังว่าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปนาเท อ, อยู่ที่บ้านคนเดียวจะว่าคนเดียวคนได้มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนเป็นคนแก่อยู่บ้านด้วยก็มีเพื่อนสาวข้างข้า ง, างบ้าน เป็นคนหมู่เดียวกันเธอนัดแนกกับผู้ชายว่าจะพากันไปจะอยู่กินร่วมกันแทนแทนการแต่งงานปกติเขาเรียกว่าวิวาคนทันคือจะพากันไปแต่เขาก็ไม่บอกเธอเป็นว่าคนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกันพ่อแม่ไปไถนาก็เป็นว่าเขาก็มาชวนเธอบอกไปเที่ยวตลาดก็ไม่ล่ะไปซื้อของเล็กๆน้นนอยๆไปเดี๋ยวก็กลับ เธอก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านปกติก็มีมีอะไรเป็นคนที่น่ารักชอบพอกันมากก็เว็นลายาผู้ใหญ่ที่เฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าฉันจะไปตลาดจะเพื่อนสักครู่หนึ่งเพระเดี๋ยวจะมาพันญาตผู้ใหญ่ก็าไม่เห็นจะจะมีอะไรไว้วางใจก็บอกว่าไปเถอะป้าอยู่บ้านเองคันเมื่อเธอไปถึงตลาดไปถึงก็มีผู้ชายอยู่สองคน นั่งอยู่ที่นะันอยู่ที่ตลาดแล้วไปเจอเพื่อนหญิงเข้าเธอเข้ามาทักทายปลาสเขาก็คุยกันเบาๆฟังไม่รู้เรื่องพอเดี๋ยวหนึ่งเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเธอด้วยตั้งสี่คนก็กินกันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเดินมาพอเดี๋ยวหนึ่งพอเดี๋ยวหนึ่งก็มีรถแท็กซี่หรือรถยนและรถเก๋งมาจอด าชายสองคนก็บอกกับเพื่อนบอกเราจะไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรกันไหมล่ะไปเทีตลาดโน้นเพื่อนในความจริงเขานัดเขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าไปเขาก็ชวนเธอไปด้วยเธอก็บอกว่าไปไกลนักไม่ได้แล้วปรเดี๋ยวป้าจะบ่นพ่อกับแม่จะมาเธาบอกไม่เป็นไรจะไปรถพิเศษเหมาไปวันนี้ก็กลับไปเดี๋ยวเดียวก็กลับก็กลบเลยนั่งรถไปกับเขา เป็นอาว่าชายสองหญิงสองเมื่อล่งรถเดินเขาไปถึงจังหวัดพิจิตรเมื่อเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวเขาก็พาขึ้นรถโดยสารเป็นรถยนต์สมัยนั้นยังไม่มีรถทัวร์เป็นรถประจําทางเขาพาขึ้นเขาก็ถามเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่าเราจะกลับอําเภอโพตะเลเนี่ยมาต้องกันง่าย เรียกว่าไม่ต้องต้มเลยนะสุกอยู่แล้วพาะคนไม่เคยไปไม่เคยมาเธอก็นั่งรถไปกับเขาแต่แทนที่รถจะวิ่งเข้าอำเภอโพตะเลกบวิ่งลงนครสวรรค์แล้วก็ร่วยไปกรุงเทพเธอก็จนใจเพื่อนหญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกรุงเทพกันประเดี๋ยวแล้วก็กลับพอถึงกรุงเทพแล้วก็เข้าพาขึ้นรถ รถแท็กซี่ไปสถานีรถยน์สายใต้จาสายใต้เข้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นัว่าเธอก็จําเป็นจําใจจะต้องไปกับเขาเสื้อผ้าก็มีไปชุดเดียวแต่เพื่อนหญิงเขาเตรียมพร้อมสําหรับเพื่อนหญิงนั้นเสื้อผ้าฝากคนไว้ตลาดเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเ้าสองลูกเขาใส่กระเป๋าเต็มสองชองลูกอยู่ที่ตลาดแล้ว เขาฝากแรงค่าที่รู้จักกันไว้ก็เป็นว่าเธอก็ใช้เสื้อผ้าของเพื่อนและต่อมาชายหนุ่มก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใช้ไปพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ม่ชิดตัวเมืองเป็นเขตของอำเภอบางปะมา <c oughs> เมื่อเธออยู่ที่นั่นมันก็เหงาเคยอยู่บ้านไม่เคยไปไหน แล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเพื่อนหญิงที่ไปด้ยวยกันคุยกันบ้านเจ้าของบ้านก็ใจดีก็ช่วยเจ้าของบ้านทำนู่นบ้างทำนี้บ้างตามปกติเมื่อเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเศษในช่วงนั้นเธอก็บอกว่าคิดถึงบ้านแต่ไม่รู้จะกลับยังไงเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหลังบ้านก็ไปทราบว่ารถยนต์ไปไหนเขาเขียนว่ากรุงเทพจังหวัดสุพรรณบุรี ฉันจะมากรุงเทพคนเดียวก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอีกเมื่อเข้าถึงกรุงเทพก็งงเต็มทีแล้วบ้านเมืองมันกว้างรถก็มากคุกมากทิศทางไปไหนก็ไม่ทราบจนตอนต่อมาเธอบอกว่าวันหนึ่งขนาที่อยู่ที่นั่นแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งเล่นเป็นๆอ่านหนังสือบ้างทำงานเล็กน้อยบ้าง เรีกว่าอยู่บ้านท่านไม่นิ่งรดูดายปั้นวัวเป็นควายให้ลูกท่านเล่นตามกติของโบราณก็ช่วยจากของบ้านทําตามปกติเท่าที่สามารถจะทําได้เห็นรถยนต์มาแต่ไกลมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านรถยนต์คันนี้จะไปทางถึงกรุงเทพไปถึงกรุงเทพเราเราไม่รู้ทิศทางจะไปแต่ว่าคิดว่ากลับได้ เราจะบอกเขาบอกว่าเราจะกลับจังหวัดพิจิตรคงจะมีรถยนต์มาช่วยเราได้ส่งทางขึ้นให้ขึ้นรถยนต์ที่มาจังหวัดพิจิตรได้เธอคิดในใจตัดสินใจเอาเองซึ่งทุกวันไม่เคยมีเรงอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าตอนนั้นหนูมีสตังค์ไหมเธอก็บอกว่าระยะนั้นหนูมีสตังค์ติดตัวอยู่ห้าร้อยบาท มาตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งหมดเมื่อรถจึงเข้ามาใกล้เขาวิ่งออกไปจากบ้านขอขึ้นรถจนรถจึงก็รับและคนในบ้านก็ไม่มีใครติดตามมาโทรมาถามมาห้ามาปรามทุกคนก็ดูนเฉยๆแล้วก็ยิ้มทุกคนนั่งดูคอยพากต่างคนต่างยิ้มเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขายิ้มเพราะอะไร ในที่สุดเธอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็มาจอดมาจอดที่สถานีรถยนต์สายใต้ขณะที่เธอนั่งในรถยนต์เธอก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อถึงกรุงเทพแล้วเราจะไปยังไงเวลานั้นไม่มีความสู้สึกอะไรวิตกกัวงวลว่กตอนกรุงเทพเนี่ยเพาว่าเมืองกรุงเทพมันใหญ่โตกว้างขวางมากจะไปยังไงได้ แต่ก็คิดว่าถ้าถึงกรุงเทพเราพอมีสตังจะเหมาแท็กซี่ให้เขาไปส่งส่ ง, สงรถโดสารที่จะไปจังหวัดพิจิตรเธอคิดตัดสินใจแต่นนั้นก็นั่งมาเฉยแล้วไม่เฉยแล้วคิดเลยมาแต่ก็น่าสจรรัจจ์เมื่อรถยนต์ถึงสถานีรถยนต์สายใต้ก็ยนจอดเขาก็บอกว่าถึงสุดทางแล้วครับลงได้ครับ ทุกคนก็ตามพระต่างพากันลงเธอก็ลงลงอย่างคนที่ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ไปที่นาสะจันใจมากที่สุดพอลงมาแล้วเดินไม่ได้สองสามก้าวพระกร็พบพี่ชายยืนอยู่ตรงนั้นก็เห็นพี่ชายก็ดีใจโผล่เข้าไปกอดพี่ชายถามว่าพี่มายัางไงพี่ชายก็ตอบว่าพี่มาตามน้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหน วันนี้เมาว์คืนนี้อยู่ที่พักพักที่วัดใกล้แต่ไกลแต่วันนี้อยากจะมาที่หนี่คิดว่าบางทีน้องอาจจะมาบ้างหรือมาไม่มาก็นั่งแจ่กลุ่มดูคนขึ้นรถลงรถแต่ก็บังเอิญพบน้องพอดีเป็นอันว่าพี่และน้องต่างคนต่างดีใจเธอก็หมดทุกพี่ชายก็มีสุขก็พบน้องเธอก็มีสุขก็พบพี่ ในที่สุดก็พี่ก็บอกว่าไปกินข้าวสันน้องก็พาน้องไปกินข้าวความดีใจของพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปบ้านเลยวันนี้ถ้าเราจะไปก็ไปทันแต่มันจะค่ำค้างกรุ ง, งเทพสะก่อนค้างกับพี่พีาศัยโกติพระอยู่แต่ว่าก่อนจะไปโกติพระไปดูหนังกันก่อนน้องสายก็บอกว่าเครื่องแต่งตัวเม่เดือบเปิี่นแล้วก็ไม่มีเปล่น พี่ชายบอกไม่เป็นไรไอ้โรงหนังที่เขาไม่ห้ามเขาไม่ห้ามเขาไม่ถือก็พี่พาน้องชายไปดูหนังที่โรงหนังแกรนเสร็จก็กลับมาข้างที่เดิมเช้าก็ลาพระธันมาถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีอกดีใจมากรุ่งขุนช้าก็จ่ายของแก้บนอย่างหนักหมูไม่ใช่เครื่องกิโลแล้วเป็นหลายหลยกิโลแล้วกไก่ก็าหลายตัว อะไรก็มากขนมจริงก็เป็นหาบก็เป็นว่าเธอก็ไม่แก่ที่บ้านเธอแก้กวก็วนที่วัดท่าสุงก็ต้องมาแก้ที่วัดท่าสุงประเดี๋ยวกลงหลวงยุพนท่านจะว่าเอนเป็นอันว่าเมื่อเขาว่าถึงหลังเที่ยงก็ให้แก้เวลาบ่ายก่อนบ่ายสามโมงสิบนาทีนี่ละบรรดาท่านพุท ธ, ทธวิสัชเวลานี้ก็เลยเวลานาทีสัตยกเศเล่าเรื่องนีจกก้จบพอดี เป็นอันว่าสมเด็จกรมงยุคลาณเขตุดมศักดิ์ท่านก็เป็นเทวดาประเภทที่เรียกว่าสงเคราะห์คนจริงๆแด้รบรรดา ญ, ญาติโยมพุณบริษัทธ์ใจเยี่ยงแท่านโปรฟังเย่าลว่ากฎธรรมดาร่งคนที่เกิดมาขึ้นถึงเกิดแล้วก็มีแก่สองต้องมีการป่วยไข้ไม่สบายสา ม, มีการพัดพราดจ้าจของรักของชอบยจอย่างคู่นี้และสี่มีความตายในสุด ขอทุกท่านอย่าประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีขึ้นหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการสงเคราะห์ตัดลูพระความโลภที่ะน้อยสองรู้จักการรักษาสินเพื่อการตัดความโกรธที่ะน้อยสามรู้จักการเจริญภาวนาคือรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าออให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไรจะภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกทุโธ ทำวันละสองสามนาทีก็ได้เวลาจะทํานั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งท่านไหนก็ทําได้อริมดาท่านพุทธบริษัทถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ตกนรกก็เวลามันหมดจแล้วจอรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายถึงเวลาอีกประมาณสิบวินาทีเส็เศษก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒ น, น์นะมงคลสมบูรณ์พูนทน จงมีเดียบรรดาแต่พุทธสาวนิก็ชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี